ท่านที่เคารพทั้งหลายคงจะไม่ลืมผมในสิงโตผู้เท่าแม้นานๆจะพบสักคราวท่านก็คงจะไม่ลืมบัดนี้พอมีเวลาจะมาคุยอะไรต่ออะไรเก่าๆให้ท่านฟังกันเล่นด้วยแม้ว่าจะนานแสนนานวันไหนผมไปธุระผ่านตาบลประตูผีที่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคลขึ้นว่าตาบลสารานราษแต่ความหมายก็ยังอยู่กลงเดิม คือประตูเมืองเก่าที่ทะลุกำแพงเมืองตรงนี้ชื่อประตูผีเป็นที่นำศพคนตายในเมืองออกไปทำศพกันนอกเมืองเพราะสมัยโน้นสร้างเมืองใหม่ๆต้องการความเป็นมงคลไม่มีการนำศพทำเมรุ ก, กันในกำแพงเมืองเว้นแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและพระศพเจ้านายใหญ่ๆตัวโตวเท่านั้น ประตูผีนี้จึงมีชื่อตายตัวเป็นกฎว่าใครจะนําศพคนตายออกประตูเมืองด้านอื่นๆไม่ได้ต้องออกแต่ประตูนี้โดยจํากัดแม้จะเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าสําราญราดก็ยังมีความหมายเดิมเช่นนั้นเองหมายถึงว่าราษฎรมีความสุขแล้วและคนที่สุขที่สุดก็คือคนตายแล้วเป็นผู้หมดห่วงหมดกังวลสําราญจริงๆจึงออกประตูนี้แล้ววัดที่ใกล้ที่สุดในสมัยโนท์ก็คือวัดสระเกศ พอออกประตูผีข้ามสะพานลงมาก็เข้าวัดสระเกศสู่ลานป่าช้าที่ใหญ่โตมโหฬารจริงๆนับแต่ลงสะพานสำราญราชก็เป็นพื้นที่ป่าช้าแท้ๆจรดรสพานแม้นสีอีกด้านหนึ่งไปจรดบ้านบาดและอีกด้านหนึ่งไปจรดบ้านบาดเป็นป่าช้าที่กว้างใหญ่ไม่เหมือนวัดต่างๆป่าช้าอยู่ติดกับบ้านคนป่าช้ามีวัดละนิดเดียว คำว่าป่าช้าของสมัยก่อนนั้นเป็นสถานที่สงัดเงียบวังเวงไม่ใกล้ใครห่างผู้คนจริงๆเป็นแดนของคนตายแล้วไม่ใช่แดนของคนมีชีวิตจะไปป่าปนศพที่จะออกประตูผีนั้นสมัยโน้นก็หลายๆวันจะมีสักศพหนึ่งนี่พูดเฉพาะศพธรรมดาในเมืองหลวงแต่ศพที่ออกแทบทุกวันนั้นก็เป็นศพนักโทษของคุกมหันตโทษทั้งนั้นปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังจำแม่นยำเลย ศพพวกนักโทษนั้นเอาเฟือกหอ่อแล้วก็หามกันมาวันละศพสองศพในปีหนึ่งเป็นโรคอฮิวาตะกโรคหรือคนเก่าเรียกว่าโรคหาลงจะหามศพกันวันละหลายศพออกประตูผีศพนักโทษนั้นไม่ใช่หามมาฝังหรือเผาอย่างคนธรรมดาทั่วไปมีการถือเนื้อให้แรงกากินประจานความชั่วบางคราวแรงกินไม่หมดถึงกับต้องฝังบ้างอย่างตื้นๆถีบศพลงหลุมคนกับดินแล้วกลบ พอเพลอคนหมาก็ขุดคุ้ยขึ้นมากินกันคุณย่าว่าเสียงในป่าช้านี้เสียงแซดไปด้วยอีกาที่แย่งเนื้อคนกินกับพวกกระแรงเมื่อแรงโดดตีอีกาก็เสียงแซดกันซสีทีวันหนึ่งผมเล่าให้หลานสาวฟังหลานสาวตกตะลึงถามขึ้นอย่างสนใจแล้วก็มีความห่วงใยเอ๊ะคุณตาคะสมัยนั้นคนจะเดินถนนนี้ได้ยังไงคะมีแต่สิ่งที่น่ากเกลียดน่ากลัวหลานผมถามโอ้ย มีถนนเมื่อไหร่กันล่ะเมื่อก่อนน่ะถนนนี้เพิ่งมีมาเมื่อตอนที่มันเจริญแล้วต่างหากตั้งแต่ลงสะพานสำราญราศน้นั้ น, นก็เป็นป่าช้าไปจดสะพานแม้นสีด้านยาวด้านกว้างก็กินไปถึงบ้านบาดถนนไม่มีแบบเดี๋ยวนี้หรอกมันก็เป็นทางเดินเล็กๆพอให้คนเดินดินได้บ้างบางคราวต้นไม้ก็เป็นป่ามืดครึ้มจะมีมนุษย์ใดมาเดินเล่นล่ะถ้าไม่จาเป็นผมได้อธิบายแล้วทางเมนเผาศพทางด้านนู้นล่ะคะ ด้านข้างวัดภูดเขาทองนุ่นไม่ใช่ป่าช้าหรอค่ะอ๋อไม่ใช่นั่นน่ะสมัยก่อนสะอาดอยู่ติดกับโบสถ์ไม่มีปา่ปชาช้าป่าช้าแท้ๆเนี่ยมันด้านนี้แหละด้านถนนตัดลงกรมประปานั่นแหละเนื้อที่เห็นจะร้อยไร่ได้กระมังแม่โว้ยคนชาวบ้านบาดเนี่ยอยู่กันได้ยังไงคะหลานสาวถามตาโพรงก็ที่อยู่ใกล้ก็แย่หน่อยนะที่อยู่ห่างไปทางด้านสะพานเหล็กก็ค่อยยังชั่ว แต่ว่ามาสมัยหลังๆเนี่ยมันมีเมนขึ้นเมนนึงชาวบ้านก็เรียกว่าเมนปูนก็เพิ่งทําลายไปได้สัก20ปีนี่แหละสมัยนี้ก็เป็นตึกรามสวยงามไปหมดอย่างที่เห็นนี่แหละลองย้อนไปสมัยก่อนสิโอยขนหัวลุกเลยแถวเนี้ยแหมทําไมป่าช้าวัดสะเกดถึงใหญ่จังเลยล่ะคะโอ้ก็มันใหญ่ทุกๆวัดแหละสมัยก่อนคนมันน้อยไม่มาแย่งกันอยู่แออัดแบบนี้หรอกวัดเทพสรินนี่ก็ใหญ่วัดโคกก็ใหญ่ แต่ว่าวัดสะเกดเนี่ยใหญ่กว่าเพื่อนเพราะว่าอยู่ใกล้กําแพงเมืองใครๆออกจากเมืองก็เข้าวัดนี่แหละป่าช้าก็เลยใหญ่ที่สุดส่วนวัดในกําแพงเมืองไม่มีป่าช้านะเพราะว่ามันไม่มีการทําศพกันวัดโพวัดสุทัศน์วัดราชบพิธวัดทรงประดิษฐ์มีแต่วัดทั้งนั้นวัดมหาธาตุวัดเรียบแต่ที่เนี้ยไม่น่ากลัวแหน่เดชะบุญนะคะหนูเกิดไม่ทันถ้าหนูเกิดทันเนี่ยคงน่ากลัวแย่เลย เกิดทันมันจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะบ้านมีก็อยู่บ้านจะไปยุ่งอะไรกับป่าช้าผมพูดรุ่นตานะ่ยอย่าพูดเลยต้องติดตามคุณย่าของตาไปอีกทีก็ผ่านไปทั่วๆเมื่อก่อนมันน่ากลัวทั้งนั้นนะวัดที่ตัดหัวคนนี่ก็มีหลายวัดเดิมตัดหัวคนที่ถูกประหารชีวิตที่วัดโคกหรือว่าวัดพัพลาชัยนั่นแหละพอคนมากเข้ามากเข้าก็ย้ายไปตัดหัวกันที่วัดทองฝั่งธนบุรี พอจะเดินเข้าอีกก็ย้ายไปตัดหัวกันที่วัดมักกสันชายทุ่งชายป่านู่นเลยวัดไหนมีการตัดหัวคนชาวบ้านก็กลัวผีกันนะักเขาว่าคนโทษร้ายนั้นเนี่ยปีศาจร้ายแรงกว่าผีธรรมดานักโทษประหารชีวิตมันก็คือคนร้ายกาศ ด, ดวงวิญญาณมันก็เลยร้ายตามมิสัยเก่าของมันเออคุณตาคะที่ว่าเถื่อเนื้อนักโทษให้แร้งกินนะคะเถื่อเป็นชิ้นๆแล้วก็โยนไปให้หรือเปล่าคะเปล่า เือพอให้เนื้อเปิดไปทั่วๆตัวแล้วก็ปล่อยให้แรงให้กามันเข้าไปรุมจิกรุมถึงกินเอาเองที่ร่างกายของคนอ๋อที่คนเรามักจะพูดว่าแย่แรงถึงไอ้แรงถึงมันมาจากนี่นี่เองอย่างนั้นแหละเขาหมายความว่าใครถูกเรียกว่าแรงถึงแล้วก็มันก็หมายว่ารูปร่างเป็นศพนั่นเองผมตอบหลานสาวไปแล้วก็หวัวเราะนึกขันที่หลานช่างแปลภาษาพูดของไทยได้ถูกช่างจดช่างจาดีมาก ศพที่เถือเนื้อให้แรงกากินเนี่ยไม่มีการสวดอภิธรรมให้เลยสินะคะคุณตาอ๋อมันคนร้ายคนเลวนี่ใครจะสวดให้ล่ะการสวดนะเขาสวดให้คนที่อยู่ฟังต่างหากสอนเวรสอนกรรมการแตกดับของมนุษย์ไม่ใช่สวดให้ผีฟังหรอกนะมันตายแล้วจะรู้เรื่องอะไรจะได้ยินอะไรศพคนร้ายจะมีใครมาฟังสวดประดับเกียรติให้ล่ะ หนูเคยเห็นตามงานศพเวลาจะสวดมีคนไปเคาะลงศพให้รู้ว่าพระสวดหนูก็เลยคิดว่าสวดให้ผีฟังอาหาตามันเลวไหลน่ะเคาะไปแบบนั้นแหละทําให้คนที่ขี้กลัวผีนึกว่าไปปลุกผีวุ่นเปล่าๆแล้วพระที่อยู่วัดสาเกตต้องรวยแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณตาเพราะว่ามีศพมามากมายได้เงินถวายบ่อยไม่แน่หรอกร้านเอ้ยสมัยโน้นเนี่ยบางทีก็ยุ่งถ้าเขาเกิดมีอะไรพี่เรนพี่เรนขึ้นมาพระก็ยุ่งพี่เรนอะไรคะ อ๋อพี่เรนนักเที่ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนเก่าๆเนี่ยมีอะไรพี่เรนพี่เรนอยู่ก็คือเรียกว่าทอดผ้าป่าผีตายเอาเถอะเดี๋ยววันหลังจะเล่าเรื่องผ้าป่าผีตายให้ฟังบ้างนะเรื่องผีของไทยน่ยมันยุ่งยากเอาการอยู่ล้วนแต่รบกวนประส า, าททั้งนั้นผมตอบตัดบทไว้ก่อนเพราะว่ายังมีธุระที่จะต้องไปทําอีกเยอะเออคุณตาคะหนูยังสงสัยอยู่บางเรื่องค่ะที่เป็นเรื่องของพวกผีสางเทวดาเนี่ยค่ะ ทำไมคุณแม่หนูถึงตักเตือนหนูนักหนาว่ากลางค่ากลางคืนถ้ามีใครมาเรียกชื่อถ้าไม่รู้จักว่าผู้ที่เรียกชื่อคือใครก็ไม่ควรขานรับออกไปมันเป็นยังไงล่ะคะลานไม่ยอมเลิกพูดเรื่องปีศาจก็เลยถามต่อไปอ๋อเรื่องนี้มันเป็นสองทางอยู่นะหนูเป็นครูบาอาจารย์อยู่ถ้าเด็กถามขึ้นมาแบบนี้อย่าไปตอบไปทางผีสางเลยไม่ดีกับเด็กจงตอบไปตามเหตุตามผลเถอะเพราะว่าเหตุมันไปได้สองทาง การที่มีคนมาเรียกรายามค่ําคืนมืดๆโดยเราไม่รู้ว่าเป็นใครมาเรียกเนี่ยถ้าขานรับออกไปมักจะมีแต่เรื่องร้ายไม่มีทางอะไรดีถ้าคนที่เขามีธุระจริงๆเขาต้องตะโกนบอกชื่อตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาเรียกเราเรื่องอะไรถ้าเขามาเรียกโดยไม่บอกชื่อถ้าไปขานรับถ้าเขาขอให้เราเปิดประตูหรือว่าเปิดหน้าต่างมันก็มีแต่เรื่องร้ายทั้งนั้นปืนยิงบ้างน้ํากรดสาดเข้ามาบ้างจะทํายังไงล่ะทีนี้ผู้ใหญ่เขาก็เลยห้ามกันไว้ก่อนไง จริงนะคะมีแต่เรื่องร้ายถ้าเป็นผีแท้ๆนี่ก็แย่เลยละคะ่ะหลานพูดแย่สิผู้ใหญ่ห้ามไว้ก็เพราะว่ามันมีอีกทางหนึ่งคือคนที่ตายลงไปตอนเขาเอาศพออกจากบ้านเนี่ยเขาจะไปหักกิ่งไม้มาสองกิ่งเอามาขัดประตูป่าโดยสมมุติเอาทําที่บ้านเรานี่แหละทําเป็นซุ้มป่าเมื่อหามศพออกพ้นประตูเขาจะเอาไม้เนี่ยตีหม้อน้าที่วางไว้ตีนบันไดให้แตก เป็นการหรือแบบว่ากรวดน้ำความขันความกะลาอะไรทำนองนั้นพูดง่ายๆก็คือการไล่ผีไปให้พ้นบ้านไม่ให้ย้อนกลับมาอีกประตูป่านั้นทําไว้ให้ผีเข้าใจผิดจําไม่ได้พอผีพ้นบ้านเขาก็รื้อประตูออกผีกลับมาก็จําประตูบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาไปมีป่าเป็นประตูไงเมื่อเขาย้อนมามันไม่มีป่าก็งง ง, งันจําบ้านตัวเองไม่ได้ เรื่องมันมีว่าคนตายทุกคนเนี่ยพอขาดใจแล้ววิญญาณจะต้องถูกพาไปหาย ม, มาบาลที่นรกฟังความว่าคนนั้นมีผิดเวรกรรมอะไรบ้างจะต้องรับเมื่อทราบโทษตัวเองแล้วก็จะปล่อยมาให้เยี่ยมญาติของตัวเองได้ผู้เป็นญาติไม่อยากให้กลับมาก็ทําพิธีให้ลืมบ้านนี่แหละถ้าเป็นไปนในทางผีทางสางมันก็มีเรื่องแบบนี้แหละแหมแย่เหมือนกันนะคะสงสารก็น่าสงสารแต่ก็น่ากลัวมากกว่าค่ะหลานบ่นอ๋อย เมื่อก่อนตาก็เคยโดนมานะบ้านเรานี่ติดกับบ้านที่เขาตายกันเจ้าของบ้านเขาก็ทำพิธีประตูป่าพอสามวันเท่านั้นแหละผู้ตายกลับมาตะโกนเรียกเสียงเยือกเย็นตานอนฟังก็ตัวแข็งไปไม่ยอมไปยุ่งด้วยทั้งบ้านคนตายและบ้านตาเงียบเชียบหมดเลยลงท้ายผู้ตะโกนเรียกได้ตะโกนชื่อตัวเองว่าฉันเนี่ยชื่อนายจางลูกพ่อทุยแม่แจมฉันจาบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ถูก ช่วยบอกฉันด้วยว่าบ้านฉันเนี่ยหลังไหนกันแน่ตานี่หนาวสะท้านเลยขดตัวกลมอยู่บนที่นอนตอนแรกก็สงสัยอยู่เอ้ใครมันมาเรียกพอบอกชื่อเท่านั้นแหละแทบขาดใจเลยแล้วมีใครขานรับไม่คะคุณตาปะโตใครจะบ้าไปขานรับละ่ะนอนตัวแข็งไปน่ะไม่ว่าผมคุยกับหลานหน่อยนึงแล้วก็แยกทางกันผมต้องเข้าบางกอกไปทาธุระกับเพื่อนหลายคนพอเสร็จธุระก็เย็นมาก จึงคิดหาทางที่จะค้างตามบ้านเพื่อนจะเดินทางกลับตลาดขวัญเมืองนอนก็ไกลนักในสมัย น, น้นบังเอิญนายฉนวนเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาเช่าตึกอยู่แถวถนนข้างวัดสัเกตก็คือถนนที่ตัดจากสำรานราดตรงไปสี่แยกแม้นสีนั่นเองหรือว่ากันแน่ๆก็คือป่าช้าเก่าของวัดสัเกตนั่นแหละเพื่อนๆยังตามเข้ามาอีกหลายคนจึงเลยตั้งบ่อนสุรากันขึ้นอีกอย่างมโหราร นายชนวนเนี่ยเขาทําที่นอนเฉพาะข้างบนชั้นล่างก็เป็นที่รับแขกก็เลยตั้งสุรากันสนุกไปเลยคันค่ําเข้าก็ไม่เคยนึกว่าเราจะนอนกันอย่างไรเพราะว่านายชนวนสองคนผัวเมียอาจจะมีมุ้งกันยุงเพียงหลังเดียวของเขาเท่านั้นแต่เพื่อนอีกหลายคนพากันจะนอนค้างที่นั่นขี้เกียจจะกลับบ้านก็เอาแบบง่ายๆคือกินไหนก็นอนนั่นเรื่องยุงเมืองไทยนี่ก็หนักหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นบรร น, นอกบรร น, นาเรื่องยุงเรื่องอะไรนี่มันก็จะเบาบางลง นอนไม่ต้องกลางมุงก็ได้แต่ถ้าไปนในบางกอกแล้วก็แย่ทีเดียวแต่ว่าเรื่องของคนเมาเนี่ยมันกินที่ไหนมันก็นอนที่นั่นง่ายนักอ้างว่าดื่มเมาเต็มที่ยุงจะกินเลือดได้ก็ให้มันรู้ไปมันไม่เมาเลือดเราก็แล้วไปตามใจมันผมน่ะถึงจะเมาแค่ไหนก็ยังห่วงเรื่องยุงนายฉนวนเจ้าของบ้านหน้าจืดมีท่าทีกระวนกระวายใจกลัวยุงจะกินเพื่อนผม ผมรีบออกไปร้านใกล้ๆแล้วก็ซื้ อ, อยากันยุงเป็นการใหญ่เราจะจุดให้รอบไปหมดมันจะมียุงบ้างก็คงเล็กน้อยลงเราเมากันก็ร้องรำทำเพลงกันไปใครหมดฤทธ์ก็นอนไปตามเสือที่ปูพอดึกๆเข้าฤทธิ์ที่มีก็ค่อยๆหมดไปหลับไปทีละคนสองคนตัวเองยึดได้เก้าอี้นอนเล่นตัวหนึ่งนอนได้แค่ท่อนบนส่วนท่อนล่างยังคงห้อยขาลงพื้นอยู่มันก็ดีเหมือนกัน เสียงเพื่อนเงียบไปผมก็ค่อยเผลอไปบ้างนายฉนวนจำใจต้องทำใจแข็งใจดำหนีขึ้นนอนชั้นบนกับเมียเขาจำเป็นแท้ๆเพราะมีมุ้งอยู่หลังเดียวไฟฟ้าเราไม่ดับเปิดสว่างไว้ช่วยเป็นแสงกันยุงไปอีกอย่างจะดึกสักกี่ทุ่มผมก็ไม่รู้การนอนครึ่งนั่งครึ่งของผมทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นผมหรี่ตาน้อยความรู้สึกของผมว่ามันเป็นเวลากลางวันไม่ใช่กลางคืนเพราะว่าสว่างแจ้งไปทั่ว แต่เอ๊ทำไมประตูตึกจึงเปิดหมดมองออกไปก็เห็นข้างนอกและผมก็สะดุ้งชงนใจยิ่งนะักนี่ผมกําลังอยู่ในที่ใดในเวลานี้ข้างนอกตึกนิ่เงียบสงบไปหมดสว่างจริงแต่ว่างเงียบเพราะว่ามันดูเป็นลานกว้างไม่มีตึกหรืออาคารใดๆมันเป็นที่ดินลุ่มๆดอนๆเวร์งออกไปสุดสายตาโน่นถึงจะมีต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็ดูทึบดูเป็นว่า ผมกำลังอยู่ในวงกลมที่ไม้ล้อมอยู่ห่างๆหน้าวิเวกและทันใดก็ได้ยินเสียงอะไรผิดหูผมลุกขึ้นมองซ้ายมองขวาเสียงอีกาเซ่งแซ่กันอยู่ตามยอดไม้ห่างฝูงแร้งออกไปไกลมีหมูมาหลายตัวนั่งบ้างยืนบ้างมองดูไปที่หมู่แรง้งแต่ไม่กล้าเข้ามาใกล้แร้งนั้นแม้จะเป็นพวกนกก็จริงแต่ว่าเป็นนกใหญ่มีอำนาจมีกำลังไม่ให้หมาเข้ามาใกล้ได้ ผมงงแทบเป็นบ้านี่ผมอยู่ที่ไหนกันผมไม่มีความทรงจำไม่มีสติค้นคว้าและจำเรื่องราวใดๆได้เลยเสียงการเคลื่อนไหวของแรงดังขึ้นผึบผับและร้องออกมาก๊อกแ ก, ก๊กคล้ายจะมีอะไรเกิดขึ้นผมหันไปดู ร, บรอบๆตัวก็เห็นภาพหนึ่งในด้านสุดลานกว้างนั้นมีสะพานข้ามคลองมาสะพานนั้นใหญ่และเห็นคนหลายคนหามอะไรข้ามสะพานออกมาสู่ทางที่ผมอยู่ ผมมองอยู่สักครู่จนคนที่หามของเข้ามาใกล้ถึงกับสะดุ้งใจเห็นชัดว่านั่นเป็นเฟือกห่อคนตายเขาหามมาวางไว้ที่พื้นดินและก็มีการหามมาอีกหลายศพสักครู่หนึ่งก็มีคนอีกหลายคนเดินมาทางด้านขวามือแล้วก็มีพระสงฆ์เดินตามมาด้วยสองรูปผมนิ่งงงมองดูเอ๊นี่ก็คือวัดนั่นเองพระสองรูปมาร้องสั่งอะไรกับคารวาสเหล่านั้นหลายคำ แล้วท่านก็เดินกลับทางเก่าพอพระหายไปแล้วคนเหล่านั้นก็เอะอะกันนิดหน่อยแล้วก็ช่วยกันแก้เฟือกที่ห่อศพออกศพนั้นแทบจะเปลือยร่างผ้าผ่อนไม่ค่อยจะมีปิดร่างกายแล้วเฟือกอื่นๆก็ถูกแก้ออกอีกศพนอนเรียงกันเป็นแถวคนเหล่านั้นแก้หอ่อผ้าห่อหนึ่งมองเห็นว่าเป็นมีดหลายเล่มแล้วต่างคนต่างก็หยิบคนละเล่มมันเป็นการแล่เนื้อศพนั่นเองเขาแล่พอเป็นพิธี กรีดปลายมีดพอเป็นริ้วๆเป็นรอยแล้วก็ทำกับศพต่อไปนี่มันเป็นการแล่ศพให้แร้งกินนี่เขาแล่ทุกๆศพแล้วก็ถอยห่างออกไปออกปากเรียกแร้งพอคนห่างไปแร้งก็โถมเข้าใส่ศพนั้นตัวพญาแร้งที่หัวมีสีแดงก็จะโผลเข้าจิกลู ก, กตาศพกินก่อนพวกลูกน้องนั้นก็จิกก็ถึงกันหนุกหนับ ตัวศพก็ขยื่อนไปขยื่อนมาแทบว่าจะกลิ้งได้ทีเดียวเพราะว่าแรงปากของแร้งที่ตัวโตมันถึงมันกระชากจนเนื้อตามตัวหมดถึงตับไตไส้พุงมันก็ถึงไม่เหลือไว้เลยในความรู้สึกผมจะได้กลิ่นของศพที่จวนจะขึ้นอืด น, นั้นฟุ้งไปแล้วเป็นเวลานานพอดูกว่าแร้งจะฉีกจะถึงเนื้อศพหมดเพราะว่าศพเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามองไปไกลน้นก็เห็นมีคนหามมาอีกแล้วหลายศพ ผมรู้สึกกระอักกระอ่วนในลำคอที่สุดพอที่ศพเนื้อไม่มีจะถึงแล้วแรงก็ถอยออกไปแล้วพวกหลังก็คือหมาเข้ามาแทะเนื้อที่ติดกระดูกแทนแรงเหลากาก็ถลาลงมาจากยอดไม้จิกเล็กจิกน้อยตามซอกกระดูกที่แรงกินเหลือไว้ไม่เหลือชิ้นดีผมทั้งอึ อ, อักในคอในท้องและคลื่นเขยนเป็นกำลังแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรผมมองไปรอบตัวอีกก็พบศพอยู่ใกล้ๆอีกหลายศพผมสะดุ้งโยง แต่มองหนักเข้าก็เกิดมีสติขึ้นนั่นไม่ใช่ศพเป็นพวกเพื่อนที่นอนหลับอยู่ผมถึงกับใจหายวูบเหมือนได้สติขึ้นเสียงหมากัดกันเพื่อแย่งเนื้อของศพกินดังข่มผมหันไปดูแต่มันไม่ใช่ซะแล้วหมามันกัดกันธรรมดาเพราะรวมเข้าหลายตัวก็กัดกันเองและภาพทั้งหลายก็หายไปหมดผมเองยังคงยืนอยู่ในตึกและได้สติว่าผมกับเพื่อนเมากันแล้วก็นอนอยู่ที่นั่น ผมรู้สึกว่าเป็นเวลาสว่างแล้วรถรางวิ่งแล้วรถอื่นๆก็วิ่งกันครึกโครมผมจึงรีบเปิดประตูตึกเห็นหมาตามถนนกัดกันอยู่ออกไปตวาดมันมันก็เลิกกันแต่ความรู้สึกเก่าสอิดสะเอียนการผ่าศพแรง้งทึ้งมันอยากจะอาเจียนจึงรีบเดินไปร้านเหล้าสั่งขา้ารินใส่แก้วโดยเร็วรีบดวดซิอักอักรู้สึกว่าประทังความทุรนทุรายในท้องและคอไปได้แล้วก็รีบกลับมาปลุกเพื่อนให้ตื่นเข้าห้องอาบน้ำ ครั้นอาบน้ำแต่งตัวกันเสร็จก็รีบลาเจ้าบ้านกลับเกรงจะยุ่งเรื่องอาหารเช้ากับเขาพอมายืนกันที่ทางเท้าพวกเพื่อนชวนให้ข้ามถนนไปฝั่งเมนปูนไปที่เวิ้งเวิ้งนั้นว่าเช้าๆพอมีเลือดหมูต้มผมก็รีบบอกกับเพื่อนๆว่าท้องแน่นอยู่ขอกินแต่เหล้าใกรจะกินเข้าไปลงล่ะมันยังติดตาไม่หายเนื้อสพแรงถึงกันหนุบหนับหนุบหนับจะอาจเจียนตายที่จะไปกินเลือดหมูเรื่องอะไร ผมไม่พูดให้ใครฟังทั้งนั้นเก็บไว้คนเดียวเกี่ยวกับอาหารเห็นจะตกกลางวัลพอจะกินได้เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรถึงเนื้อคนไปกินแบบนี้ลูกกระตาก็ถูกแรงจิตกินไส้พูงทะลักออกมาโดยมันทิ้งออกมาทุลักษ์ทุเลมีกลิ่นฟุง้งดึกเมื่อไหร่เป็นต้องดื่มเหล้าดับทุกทีเข็ด จ, จนตายไม่มานอนค้างอีกแล้วที่ลานปราชาเก่าของวัดสะเกดนึกแล้วก็ขบขันไอคนที่รู้อะไรมากๆมักจะมีเรื่องมาก ก็คนที่เขาไม่รู้อะไรไม่เห็นอะไรเขาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรด้วยตื่นขึ้นเขาก็ไปกินเหล้ากินข้าวกันแต่ว่าตัวเองเนี่ยดูเรื่องอะไรมากๆก็เลยอดข้าวกินแต่เหล้าอย่างเดียวเดินไปกินเหล้ากับเพื่อนๆในเวิร์เมนปูนก็อดก้มหน้าดูตามพื้นดินไม่ได้เพราะว่าภาพมันติดตาแล้วก็รู้ว่าแต่ครั้งนู้นแถวนั้นก็ฝังศพนักโทษกันเกลื่อนไปไม่ฝังทั้งตัวก็ฝังเฉพาะกระดูกแล้วก็หัวกระโหลกที่เหลือจากแรงถึงกินแล้ว นึกแล้วก็หมั่นไส้ตัวเองที่ช่างจดช่างจำคําบอกเล่ารู้มากแล้วก็ยุ่งมองดูตามร้านอาหารก็นึกว่าพวกผีนักโทษต่างๆที่ยังไม่ได้เกิดก็คงจะมีและหิวโหอยอาจจะแย่งยื้อเอาไปจากผู้ที่นั่งกินบ้างนึกแล้วก็สังเวชสงสารเอาเถอะพรุ่งนี้จะตักบาตรแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณผู้ฟังคะ ครูเหมเวชกรท่านเกิดเมื่อวันที่17มกรา2446ที่บ้านปากคลองตลาดตําบลพระราชวัง อ, อําเภอพระนครกรุงเทพมหานาครค่ะบิดาของท่านชื่อในหุ่นมันดาชื่อหม่อมหลวงสัมฤทธิ์พึ่งบุญมีพี่น้องต่างมันดาอยู่3คนซึ่งประวัติเกี่ยวกับชาติภูมิของเหมไม่มีใครรู้รายละเอียดที่แท้จริงมากนะักรู้เพียงแต่ว่าชีวิตในวัยเยาว์นี่ขาดความอบอุ่นเนื่องจากเกิดแล้วก็เติบโตที่ครอบครัวที่แตกแยก เขมเคยเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินและก็โรงเรียนอสัสว์ชัญแต่ว่าเรียนไม่จบค่ะช่วงหนึ่งอยู่ในความอุปการะของหม่อมราชวงศ์แดงทินกรซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงหม่อมราชวงศ์แดงนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลช่างอิตาเลียนที่มาออกแบบแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยมีเรื่องเล่ากันมานะคะว่าคาโลริโกลี ช่างเขียนเกิดรู้สึกเอ็นดูเด็กชายเหมโดยเฉพาะเมื่อเห็นฝีมือหรือภาพวาดที่เหมเอาช็อคขีดเขียนไว้ที่สะพานท่าน้ําถึงกับออกปากชักชวนแล้วก็ขออนุญาตจากหม่อมราชวงศ์แดงให้เห็มไปอยู่เป็นลูกมือบทสีส่งผู้กันว่างๆเขาก็สอนให้เหมเนี่ยหัดขีดหัดเขียนเส้นแล้วก็ลวดลายต่างๆครูเหมเกือบจะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะที่อิตาลีโดยการส่งเสริมของนายริโกลี แต่ว่าเมื่อข่าวล่วงรู้ไปถึงบิดาของเหมกลับให้คนมาลักตัวไปซะก่อนค่ะครูเหมถึงกับผิดหวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากเหตุการณ์นี้คงมีส่วนผลักดันให้เขาหนีออกจากบ้านไปเผชิญชีวิตตามลําพังนะคะช่วงชีวิตวัยรุ่นเหมตระเวนหางานตามที่ต่างๆก็เริ่มต้นไปด้วยการฝึกงานอยู่ที่อู่เรือของคนจีนกวางตุง้งทํางานอยู่สักระยะหนึ่งก็ได้รับการชักชวนจากกัปตันเรือที่นําเรือมาซ่อมให้ไปทํางานด้วย ซึ่งเรือที่เขาทํางานก็เป็นเรือโยงวิ่งจูงเรือที่ปากน้ําโพมาลงที่กรุงเทพเขาได้รับหน้าที่เติมฟืนใส่เตาแล้วก็ต่อมาค่ะเพื่อนก็ชวนไปทํางานเป็นผู้ช่วยอินเจเนียร์ที่เรือแม่กลองซึ่งเป็นเรือรับจ้างลากเรือวิ่งทวนน้าไปราชบุรีกาญจน บ, บุรีแล้วก็อําเภอไซโยกทําอยู่ได้ประมาณปีกว่าครูเหมก็ลาออกซึ่งขณะนั้นอายุได้เพียง18ปีนะคะ ครูเหมกลับมาหางานที่กรุงเทพแต่ก็หาไม่ได้ค่ะบังเอิญได้พบกันกับเพื่อนที่เคยเป็นช่างฟิตในอู่เรือเพื่อนก็เลยชวนไปทำงานที่ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีขณะนั้นกรมชนะระทานกำลังขุดคลองแล้วก็สร้างเขื่อนพระรามหกครูเหมก็เลยตกลงใจว่าจะไปอยู่ที่ท่าหลวงแล้วก็เข้าทำงานในหน้าที่ช่างเครื่องได้เงินเดือน45บาท ทำงานอยู่ท่าหลวง3ปีเกิดการทะเลวิวาทกันขึ้นค่ะเขาก็ถูกตัดเงินเดือนทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ผิดเกิดความน้อยใจก็เลยลาออกจากงานเหมกลับเข้าไปใช้ชีวิตในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งในปี2467มันดาก็ได้นำไปฝากให้ทำงานในกรมตำรวจทหารบกกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่เขียนภาพประกอบตำราวิชาทหาร ในระหว่างนี้เองค่ะเหมเริ่มสนใจหัดดนตรีไทยจำพวกเครื่องสายในปี2468ก็ถูกคัดเลือกให้ไปรับราชการทหารและเมื่อปี2470ก็ถูกปลดเป็นทหารกองหนุนหลังจากนั้นก็ได้ร่วม ก, กันกับเพื่อนนะคะทำกิจการเกี่ยวกับบล็อกและก็ยึดเป็นอาชีพมาระยะหนึ่งประมาณปี2474ค่ะครูเหมได้เข้าทำงานเขียนภาพปกและภาพประกอบนวนิยายที่สานักพิมพ์เพลินจิตของเวช ประมาณปี2474ค่ะครูเหมได้เข้าทำงานเขียนภาพปกแล้วก็ภาพประกอบนวนิยายที่สำนักพิมพ์เพลินจิตของเวศกระตุ้เริกถึงปี2478นะคะก็ได้ลาออกมาตั้งสำนักพิมพ์ส่วนตัวพิมพ์หนังสือราย10วันออกจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่าคณะเหมแม้จะเป็นที่นิยมแต่ก็ต้องเลิกกิจการไปเพราะว่าทุนมีจำกัดแลวก็เก็บเงินจากตัวแทนจาหน่ายไม่ได้นะคะต่อมาพระราชวรวงศ์เธอกรมพรมิลวิทยาลงกร ก็ส่งรับเข้ามาทำงานฝ่ายสินให้กับหนังสือพิมพ์ประมวลวันโดยทำหน้าที่เขียนภาพวรรณคดีเรื่องต่างๆครูเหมทำงานอยู่กับหนังสือพิมพ์ประมวลวันรายวันค่ะจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2โรงพิมพ์ถูกทิ้งระเบิดเขาก็เลยเปลี่ยนมารับเขียนภาพให้กับกรมประชาสงเคราะห์แล้วก็ต่อมาปี2488 เฮมได้เข้ารับราชการอีกครั้งที่กองตำรากระทรวงศึกษาธิการในตำแหน่งประจำแผนกแบบเรียนมีหน้าที่เขียนภาพประกอบแบบเรียนแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนวาดเขียนที่โรงเรียนเพาะช่างด้วยนะคะในปีนั้นเองค่ะครูเฮมได้ลาออกจากราชการไปทํางานกับสํานักพิมพ์อุดมของอุดมชาติตบุตรออกหนังสือโบแดงรายปักมีสรรเท ว, วรักษ์เป็นบรรณาธิการส่วนตัวของครูเหฮมเองเก็เป็นบรรณาธิการฝ่ายศิลป์นในขณะเดียวกัน ก็มีการรับงานเขียนภาพวิจิตรแล้วก็ภาพปกให้กับมิตยาสารแล้วก็สำนักพิมพ์ทั่วไประยะนี้เองนะครับเป็นเวลาที่เหมมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากจากการเขียนภาพวรรณกรรมแล้วก็ภาพอื่นๆต่อมาหนังสือพิมพ์โบแดงค่ะก็ได้ปิดกิจการไปจึงไปวาดภาพให้หนังสืออุดมสาร ในปีพศ2490ค่ะครูเหมได้เปิดสํานักจังอาสํานักงานช่างเหมเวชกรร่วมกับเพื่อนอีก3คนนะคะทํางานเกี่ยวกับการเขียนภาพแล้วก็แยกสีแม่พิมพ์ปรากฏนะคะว่ามีงานมากมายจนต้องลาออกจากหนังสืออุดมสารมารับงานที่สํานักพิมพ์อย่างเดียว ต่อมามีร้านทำแม่พิมพ์ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเกิดขึ้นหลายแห่งค่ะกิจการของสำนัก ง, งานช่างเนี่ยสู้งานคนอื่นไม่ได้ก็เลยต้องปิดกิจการลงเมื่อปีพศส4 9 6ในระหว่างปี2496รเหถึง2497เ็ครูเหมก็ได้เข้ารับราชการในฐานะลูกจ้างรายเดือนในกองตำรากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่เขียนภาพประกอบแบบเรียน ซึ่งงานชิ้นสำคัญครั้งนี้เป็นงานชุดประวัติศาสตร์ไทยที่เขียนให้กรมสามัญศึกษาแล้วก็ต่อมาได้ลาออกไปทำงานหนังสือพิมพ์อีกครั้งแล้วก็ในราวปี 2,500 ค่ะในเปลืองนานทนครบรรณาธิการหนังสือวิทยาศารและชัยพฤกได้เชิญชวนของออครูเหมเนี่ยเข้ามาร่วมงานในฐานะช่างเขียนภาพจิตกรประกอบวรรณคดีนะคะ ซึ่งก็ปรากฏชิ้นงานสำคัญขึ้นก็คือภาพชุดชีวประวัติสุนทรผู้ชุดนางในวรรณคดีชุดกากีนะคะแล้วก็เรื่องกรรมนิ์ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะครูยังเขียนไม่ทันได้จบเลยนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องถึงแก่กรรมซะก่อนนะคะงานจิตกรรมชิ้นสำคัญอีกชุดหนึ่งซึ่งครูเหมสร้างอุทิศแก่พุทธศาสนาก็คือภาพพุทธประวัติที่เขาได้รับมอบหมายจากศึกษานิธิ วัดเชตุพนวิมลมังคลารามให้เขียนขึ้นแล้วก็ส่งไปพิมพ์ที่ต่างประเทศมาให้ประชาชนเช่าเป็นการกุศลเพื่อหาเงินบำรุงการศึกษาค่ะเห็นวิจกรเคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเข้าไว้เป็นจิตกรในพระบรมบราชานุเคราะห์ด้วยในระยะหลังของชีวิตนะคะ ผลงานที่สร้างชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งให้แก่เหมก็คืองานเขียนชุดผีไทยค่ะที่ครูเองเนี่ยก็เขียนทั้งเรื่องและก็ภาพเฮมเขียนเรื่องผีสืบเนื่องมาจนถึงปี 2,510 ก็มีจำนว น, นนับร้อยเรื่องเลยทีเดียวที่พิมพ์รวมเล่มก็มีนะคะเช่นใครอยู่ในอากาศปีศาจของไทยผู้มาจากเมืองมืดผู้ที่ไม่มีร่างกายวิญญาณที่เร่ร่อน เหมเวชกรสมรสกับนางสาวแช่มคมขำนักร้องส่งเพลงไทยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเกือบ40ปีแต่ว่าไม่มีทายาทค่ะในชีวิตบั้นปลายเหมป่วยโรคหลายโรครวมทั้งโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดเขาเสียชีวิตในวันที่16เมษายน2512ที่สถานพักฟื้นของเทศบาลอำเภอคลองศารซึ่งปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลตากสินนะคะ สิริอายุได้66ปี3เดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ส่งพระกุรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์งานศพเจ็วันแล้วก็พระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่28กันยายนปีพุทธศักราช 2,512 ที่เมนวัดเทพสิรินทราวาสในปี 2,546 เป็นวาระครบรอบ100ปีของเหมเวชกร ศิลปินชั้นครูของเมืองไทยผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรมดนตรีและก็วรรณกรรมนะคะถ้านับตั้งแต่วันที่ครูเหมเวชกรถึงแก่กรรมก็ในปี2512ค่ะแล้วก็ปีนี้2561นะคะถือว่าท่านได้จากทางด้านของคุณผู้ฟงังแล้วก็นักอ่านผลงานของครูเองเนี่ยก็ไป49ปีแล้วนะคะ เรื่องราวของครูเหมเวชกรที่ท่านประพันธ์ขึ้นแล้วก็เขียนขึ้นยังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่มาจากเล่มผู้มาจากเมืองมืดนะคะส่วนเรื่องหน้าค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวบีจะพาไปฟังเรื่อง เมืองแม่วันทองนะคะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ครูเหมเวชกรท่านได้ประพันธ์ขึ้นนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วละค่ะขอบคุณสาหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่จัดทำด้วยและที่สำคัญที่สุดนะคะกดติดตามช่องพระเจอผีแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตคลิปใหม่ ถือว่าเป็นวิทยาทานสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่หาอ่านเรื่องของครูเหมไม่ได้แล้วก็ผู้ที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับสายตาอ่านหนังสือไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะให้ลูกให้หลานหรือว่าให้เพื่อนเปิดช่องพระเจอผีให้ฟังนะคะแล้วก็เลือกเรื่องของครูเหมเวชกรเพื่อที่จะได้เป็นความรู้ให้กับตัวเองและก็ความบันเทิงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ